อีกสูตรหนึ่งนะทุติยพัตยสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเฉตะวันอารามของท่านอนาถบินทิกาเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีสูตรนี้จริงๆก็สืบเนื่องจากสูตรที่แล้วก็สมัยนั้นแลท่านพระสารีบรสําคัญท่านพระละกุล ทะกะภัติยะว่าเป็นพระเสขะจึงชี้แจงให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาหารให้ร่าเริงด้วยธรรมีกาถาโดยอเนกปรยายยิ่งไปกว่าประมาณหมายคือว่าสแสดงบรรลุแล้วนะก็ไม่ได้ใส่ใจหรอกเลยสแสดงต่อยิ่งยิ่งขึ้นไปกว้างขวางมากขึ้นเพราะว่ายัางไม่ได้มนานสิการว่าบรรลุไปแล้วหรื อ, อยังนะโมจะเทศไปเรื่อยอย่างนี้น พระพุทธเจ้าได้เห็นว่าท่านพระสารีบุตรสําคัญท่านพระละกุณตกะพัทิยะว่าเป็นเสกขะาชี้แจงให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาจทานให้ร่าเริงด้วยทำมีกถาก็คือด้วยการประกาศอริยสัจโดยอเนกปริยายกว่าประมาณพระองค์ทราบเนื้อความนั้นแล้วก็เป่งอุทานว่าบุคคลตัดวัตตะได้แล้วตัดวัตตะก็คือตัดฉันทราคะในวัตตะได้หมดบรรลุถึงนิพพานเป็นสถานที่ไม่มีตัณหา เพราะนิพพานไม่ยอมเป็นอารมณ์ของตันหาแล้วตันหาก็ไม่ชอบนิพพานด้วยเพราะอะไรเพราะว่านิพพานเป็นธรรมที่ตัดตันหาใช่ไหมตันหาจะชอบไหมไม่ชอบเพราะตันหาเนี่ยมันเป็ น, ปนสายใ่ที่ผูกไว้กับวะตตนิพพานเป็นที่ตัดตันหาพาะะนันเมื่อบรรลุถึงนิพพานเป็นสถานที่ไม่มีตันหา ตันหาที่บุคคลให้เหือดและแห้งแล้วย่อมไม่ไหลไปวัตตะที่บุคคลตัดได้แล้วย่อมไม่เป็นไปนี้แลเป็นที่สุดแห่งทุกข์นะพระถ้าแทางตลอดออนิโรศ จ, จะคือพระนิพพานด้วยอรหั ต, ตผลแล้วก็ทาที่สุดแห่งวัตถุทุกโดยประการทั้งปวงที่บอกว่าพระพระภัทถียารูปนี้เป็นพระเสขะเนี่ยนะคำว่าเสขะแปลว่า มีความหมายว่ายังต้องศึกษายังต้องศึกษาอะไรศึกษาอาธิศินอธิจิตและอธิปัญญาคำว่าศึกษานี่คือยังต้องฟังสินเอ่อต้องต้องไปอ่านต้องไปฟังเรื่องสินสมาธิอยู่ปัญญาหรือใช่หรือไม่หมายคำว่ายังต้องศึกษาหมายคำว่ายังต้องเพิ่มพูนอทิศินให้มียิ่งยิ่งขึ้นไปในจิตต้องเพิ่มพูนอธิจิตและอธิปัญญาให้เจริญ ง, งอกงามในจิตมากมากยิ่งขึ้น อีกอย่างหนึ่งคำว่าเสขะแปลว่าศึกษาเนี่ยนะชื่อว่าศึกษาเพราะการศึกษานั้นเป็นปกติของผู้นั้นถ้าเป็นพระเสขะคือพระอริยะเนี่ยนะท่านจะไม่ลืมศึกษาเลยถึงท่านจะทำอะไรนะท่านก็คำเลืองอชั่เลืองใจของท่านถึงศึกษาอยู่เสมอแล้วมีคำถามว่าเป็นพระเสขะยังต้องบางท่านยังก่อสร้างอยู่ไหม พระเสขะบางรูปท่านก็ทําก่อสร้างแต่การก่อสร้างของท่านเหล่านั้นการทํางานของท่านเหล่านั้นบางรูปเนี่ยนะที่เป็นพระเสขาเนี่ยนะเหมือนอย่างว่าแม่โคลูกอ่อนถึงจะเคี้ยวและเลมนหญ้าถึงเคี้ยวไปเคี้ยวมาอย่างนั้นก็ยังชําเลืองหาลูกน้อยของตนฉันใดพระเสขะถึงท่านจะทํากิจอย่างอื่นท่านก็ชําเลืองถึงศิกขาของท่านอยู่เสมอเนี่ยนะก็แปลว่าทําอะไรก็ทําไปแต่ไม่ลืม สิกขาของตนเหมือนแม่ลูกอ่อนไม่ลืมลูกฉะนั้นเนี่ยนะใจก็ประวันพร่านพึงคิดถึงลูกข้มาก็ยังนึกไม่ออกนะได้แต่ฟังอุปมาดีแล้วล่ะต่อไปนะผู้นั้นชื่อว่ามีการศึกษาโดยปกติโดยส่วนเดียวเนี่ยนะเพราะว่าที่เป็นพระเสขาก็คือยังมีการศึกษายังไม่จบนะยังไม่จบนะเพราะว่าอรหัตมรักนะั่นแหละอรหัตผลนะ่จึงจะจบ เพราะฉะนั้นน้อมไปในการศึกษาแต่ไม่ใช่จบการศึกษาเหมือนพระเสขะพระเสขะคือพระทหารห น, นี่จบการศึกษาแล้วคือสิกขาสามเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วไม่ต้องเพิ่มสิกขาอีกแล้วเลยเรียกว่าจบแล้วระ ง, งับการขวนขวายในการศึกษาแต่ไม่เหมือนปุตุชนนะปุตุชนไม่ใช่ผู้ละทิ้งการศึกษาออขออภยัยพระทหารเ น, นี่ยไม่ละทิ้งการศึกษาแต่ก็ไม่ได้ศึกษาแต่ก็ไม่ได้ละทิ้งการศึกษา ถ้รหันละทิ้งศิกขาไม่แต่ข้อเดียวไหมไม่แต่ก็ไม่เหมือนชนมากมายใช่ชนมากมายเนี่ยไม่น้อมใจไปในการศึกษาพระเสขเนี่ยไม่เหมือนปุถุชนปุถุชนไม่น้อมใจไปในการศึกษาเลยไม่เชื่อลองไปพูดเรื่องศีลดูสิกำลังจัดงานเลี้ยงประชุมเลยนะศีลเป็นอย่างนี้เนี่ยนะดูนะจัดสมาคมเมื่อไหร่ก็ประชุมบอกศีนเป็นอย่างนี้สมาธิเป็นอย่างนี้ปัญญาเป็นอย่างนี้ เนี่ยนะพูดอยู่คนเดียวเหอะเนี่ยนะเขาก็เริ่มมีธุระกันทีละคนสองคนเนี่ยนะแต่ก็อยู่คนเดียวละถ้าใครอยากไร้ญาติขาดมิตรนะก็วงไหนมีที่ไหนก็ไปพูดแต่ธรรมะอย่างเดียวนะแล้วก็เขาเห็นหน้าเราก็บะโบกมืออำลาแล้วเพราะว่าโดยมากชนมากมายไม่น้อมใจไปในการศึกษาชนเป็นอันมากไม่น้อมไปในอธิศีลอธิ จ, จิตและอธิปัญญาเนี่ยนะ ส่วนพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยจบการศึกษาแล้วระ ง, งับการควนขวัญในการศึกษาแต่ก็ไม่ได้ละทิ้งการศึกษาเนี่ยนะเพราะยังต้องสอนสิกขาสงเคราะห์คนอื่นอย่างพระพุทธเจ้าก็สอนสิกขาให้แก่ผู้อื่นแต่พระอรหันต์หลายท่านก็มักจะเข้าพร ะ, ะสมาบัติเนี่ยนะนิยมเข้าพร ะ, ะสมมาบัติอีกอย่างหนึ่งที่ชื่อว่าเสขเนี่ยนะพระเสขาเพราะเกิดด้วยสิกขาสาม ถ้าไม่มีสิกขาสามเนี่ยนะพระเสขะจะมีได้ไหมถ้าไม่มีอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาพระโสดาบันจะเกิดได้ไหมเกิดไม่ได้เมันเสขะคือพระอริยะทั้งหลายท่านเกิดเพราะสิกขาสามเกิดเพราะอาธิศีนอธิจิตและอธิปัญญาทำไงเนาะศีลที่ยังไม่เกิดจะได้เกิดขึ้นทําอย่างไรเนาะศีลที่เกิดขึ้นแล้วจะได้มั่นคงถาวรตลอดไปเลยนะ ทำอย่างไรเนาะสมาธิที่ยังไม่เกิดขอให้สมาธิเหล่านั้นได้เกิดสมาธิที่เกิดแล้วก็ขอให้ตั้งมั่นตลอดไปปัญญาที่ยังไม่เกิดก็ขอให้เกิดปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญงอกงามไพ่บูรยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะผู้ที่ฝักใฝ่ในศิกขาสามอย่างนี้เรียกว่าเป็นพระเสขเนี่ยนะของใครวันหนึ่งเน่น้องไปอย่างศีลวันนี้ขอให้มั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นด้วยเถอะสมาธิวันนี้ขอให้เพิ่มเพิ่มขึ้นด้วยเถอะปัญญา Female, วันนี้ขอให้ฟังและเข้าใจมากกว่าเมื่อวานด้วยเถอะเนี่นะ ก็ถ้าใครตั้งแบบนี้บ่อยๆเรียกว่านักศึกษาก็นุมโมทนาด้วยนะถ้าใครใฝ่ในการศึกษาขนาดนั้นอีกไม่นานท่านจะจบพ้นทุกแน่นอนเรียก อ, อะไรนะศึกษาแบบนี้เป็นศึกษานุตริยานะเป็นเลิศในบรรดาการศึกษาทุกชนิดเพราะศึกษาอย่างนี้แล้วจบเพราะเกิดเป็นาอารหันตเป็นพระุอรหันต์แล้วก็จบละแต่ถ้าไม่ศึกษาตามนี้ไม่โจปรอกเนี่ยนะมันจะไปจบได้ยังไงสังขารมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยอย่างเงี้ยไง เรียนจบสังขารนะหนึ่งสังขารใหม่ก็เกิดไปก็รีเรื่อตามไปด้วยมันมีจบที่ไหนไม่เชื่อถามเรื่องกฎหมายลงเรืองดูเรียนจบที่ไหน <c oughs> ก็บัญญัติใหม่ใไปเรืยเดี๋ยวรึอีกภักหนึ่งลงเรืองก็หมดสมัยแล้ว <c oughs> <c oughs> จริงโย่ท่านพระละกุลนาการพัทยะเนี่ยนั่งอยู่ตามเดิมนั่นแหลบรรลุธรรมเป็นเครื่องสิ้นอาสวะด้วยโอวาแรกตามวิธีกล่าวแล้วในสูตรแรกนนะภาษาริบทก็แสดงจนท่านบรรลุะนะ ฝ่ายพระธรรมเสนาบดีก็ไม่ทราบการมันลุเป็นผ้าอรหันของท่านเพราะไม่ได้อาวัชชนะเลยมุ่งพิจารณาแต่พระธรรมไม่ได้มุ่งพิจารณาที่จิตของพระละกุณกะพัิยะเนี่ยนะท่านก็เลยยังสำคัญว่าเป็นพระเสขะอยู่ตามเดิมเหมือนบุรุษผู้มีใจกว้างขวางเขาขอน้อยก็ให้มากฉะนั้นนะก็เหมือนกับว่าขอข้าวหน่อยสิก็เลยก็เห็นเขาเนี่ยเาก็ ก็ใส่ให้เข้าไปทัพพีหนึ่งก็อิ่มพอดีนะแต่นี่ไม่ยอมมาให้ทั้งโถไปเลยเพราะฉะนั้นเรียกว่าคนเขาขอน้อยก็ให้มากเรียกว่าใจใหญ่เหมือนันอัทยาสายใหญ่ก็แสดงธรรมเพื่อสิ้นอาสวะโดยอเนกปริยายิ่งย่งขึ้นไปทีเดียวฝ่ายพระลกุณกะพัทยาก็ไม่ได้คิดว่าบัดนี้เราทํากิจเสร็จแล้วจะมีประโยชน์อะไรด้วยโอวาสนี้ท่านก็ไม่คิดแบบนั้นนะท่านฟังโดยเคารพเมือในการก่อนทีเดียวเพราะความเคารพในพระสัตธรรม เคารพในคําสอนในอริยสัจจะทำแล้วก็เคารพในการปฏิบัติตามธรรมเพราะท่านได้ตรัสรู้ก็เพราะตรัสรู้ตามธรรมเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นดังนั้นประทับนั่งอยู่ณนะพระคันธกุตีนั่นแหละทรงกระทําโดยที่พระธรรมเสนาบดีรู้เป็นที่สิ้นกิเลสของท่านด้วยพุทธานุภาพนะพระองค์เนี่ยเปล่งเปล่งพุทธเปล่งอุงทออานอันนี้ให้ภาษาริบุต ร, รู้ว่าผู้ฟังเขาบรรลุแล้วอย่างนั้นนะ มันในอัตถกถาที่ว่ า, อ, าอัจเฉศวัตตังความว่าตัดกิเลสกิเลสสวัตได้เด็ดขาดวัตตามีสาใช่ไหมกรรมวัดวิปากวัดและกิเลสวัตกรรมวัดต้องไปทําอะไรมันไหมเพราะกรรมก็ไม่ต้องทําอะไรมันได้อยู่แล้ววิบากกรรมชรูปต้องไปฆ่าไหมไม่ไดังตัดกิเลสสวัตได้เด็ดขาดเมื่อตัดกิเลสได้แล้วก็ชื่อว่าเป็นอันตัดกรรมด้วย นะถ้าตัดกิเลสเพราะกิเลสเป็นตัวเชื่อมกรรมไม่มีผลนั้นถ้าตัดกิเลสก็ชื่อว่าเป็นอันตัดกรรมตันหาเรียกว่าอาสานิพานชื่อว่านิราสาไม่มีความหวังตันหาเนี่ยลักษณะของตันหาก็คือหวังพระนิพานเนี่ยเป็นธรรมที่กำจัดความหวังคือถ้าบรรลุพระนิพานแล้วก็หมดความหวังกำจัดความหวังเลิกหวังเหรนะทไมจึงเลิกหวัง ก็เพราะบรรลุธรรมเป็นที่จบความหวังเนี่ยนะหมายความว่าผู้ที่ยังหวังอยู่ก็แสดงว่ายังเสมอยังกระหายไปเรื่อยๆๆๆๆก็แปลว่ายังไม่อิ่มฉันใดผู้ที่อิ่มแล้วยังต้องไม่ต้องเลยใช่ไหยฉันใดผู้ที่บรรลุพระนิพพานแล้วก็อิ่มฉะนั้นเแสดงว่าเจอของดีจนไม่รู้จะเอาอะไรอีกแล้ว อย่างแบบทั่วไปเนี่ยนะอย่างหลายคนที่ต้องการอะไรสักอย่างหนึง่งไปได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการที่สุดก็ไม่ต้องการอย่างอื่นอีกแล้วเนี่ยนะอย่างหลายคนเนี่ยนะพอพ อ, อ่านพระไตรปิฎกเข้าใจพระไตรปิฎกถึงระดับหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องการลับที่อย่างอื่นอีกแล้วก็ถือว่าเพียงพอแล้วเนี่ยนะก็อาศัยคําสอนเท่านี้เราก็พ้นทุก์ได้แล้วก็เลยเลิกหวังเลิกสนใจที่จะเอาอย่างอื่นฉันใดะนนะ้นี่นขนาดในแง่ของปริยัติธรรมนะยังทําให้เลิกหวังที่จะศึกษาอย่างอื่นอีกต่อไปชันใด ถ้าหากว่าอาศัยคําสอนที่เป็นปริยัตเหล่านี้ปฏิบัติจนบรรลุพระนิพพานก็เลิกหวังแม้กระทั่งในวัตตะเลิกหวังในภพเลิกหวังในสัตว์และสังขารโดยประการทั้งปวง น, นะเอถ้าเลิกหวังในชีวิตจะมีความสุขหรือใช่สบายจริงในตอนต้นแต่ก็น้ําตาไหลในบั้นปลายเพราะในผลของความหวังทุกเรื่องที่เป็นสังขารธรรมเชื่อไหมสิ่งที่เราหวังทั้งหมดนํามาซึ่งความทุกข์จนได้ในภายหลังตอนหวังเราก็ว่าดีดีด อย่างสมมตินะจะเจอแม่นึกถึงเพื่อนเก่าเลยอยากจะได้คุยกับเพื่อนเก่าเนี่ยเอ้าอยู่กับเพื่อนเก่าสักห้าสิปีด้วยกันเนี่ยจะเป็นอะไรขึ้นเอาไหมตอนแรกก็บอกโอ้ยอยากเจอเหลือเกินตอนหลังพอได้เจอเข้าจริงๆริอะนะตอนเจอก็ดีใจใช่ไหมสามปีผ่านไปเนี่ยโอ้ยมเมื่อไรจะจากกันสักทีอย่างนี้วะมั้นก็สรุปว่าสังขารทั้งหลายนี้ก็เป็นอย่างนี้มันสังขารทั้งหลายเนี่ยนะเป็นอารมณ์แห่งความหวังก็จริงแต่ก็ไม่สมหวัง เพราะอะไรเพราะว่าสัตว์าาทั้งหลายเนี่ยตัณหาเนี่ยจะมีแต่หวังยิ่งยิ่งขึ้นไปมันไม่มีจะคําว่าเต็มไม่รู้จักคําว่าอิ่มไม่รู้จักคําว่าพอไม่รู้จะถมอย่างไงตัณหาจึงจะพอแต่เมื่อแทงตลอดพระนิพพานแล้วนั่นแหละจึงตัณหาบอกไม่เอาแล้วเนี่ยนะแมลงวันนี่แมลงวันคือตัณหากลัวที่สุดเลยกลัวนิพพานเพราะเหตุที่ตัณหาเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ กิเลสชื่อว่าอันท่านยังละไม่ได้ด้วยการละนั้นย่อมไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อจะเลแสดงการละตันหาให้พิเศษแก่ท่านก็คือทําตันหาให้เหงื่อแห้งถ้าบอกว่าตัดตันหาอย่างเดียวนะกิเลสที่เหลือตัดหมดแล้วอย่างสมุทัยศัสตร์ยกตันหาขึ้นมาเป็นอันเดียวแต่จริงๆแล้วตัดมีบริวารอีกเป็นขบวนไปหมดเลยแต่หมายความว่าถ้าตัดพระราชาคือตันหาได้เรียบร้อยแล้วนะที่เหลือก็ทับนี้แตกหมดอ่ะนั่นตรงนี้ยกว่าถ้าสิ้นตันหาได้อย่างเดียว นะก็ถือว่าสิ้นกิเลสโดยประการทั้งปวงมีคําอธิบายเพิ่มว่าแม่น้ําคือตันหาอันบุคคลให้เหือดแห้งโดยไม่มีส่วนเหลือด้วยทำมรรคยานที่สี่ให้เกิดขึ้นเหมือนแม่น้ําใหญ่เหือดแห้งไปเพราะปรากฏดวงอาทิตย์ดวงที่สี่หมายว่าถ้าอาทิตย์ขึ้นสี่ดวงเมื่อใดเนี่ยนะแม่น้ําก็แม่น้ําใหญ่ๆก็เหือดแห้งหมดย่อมไม่ไหล ย, ย่อมไม่เป็นไปฉันใด ถ้าอริยมรรคยานทั้งสเกิดขึ้นตันหาก็เหือดแห้งไปทั้งหมดฉันนั้นเลยนะดวงอาทิตย์ขึ้นดวงเดียวนี่ก็จะแย่ได้นะถ้าสองดวงจะขนาดไหนอันนี้สี่ดวงอ่ะนะสี่ดวงเนี่ยถ้าถ้ า, ถาสมมติว่าดวงเดียวเนี่ยนะถ้าแดดร้อนจัดๆก็4ี่บหองศาใช่มสี่สิบห้าองศาสี่สิบห้าองศาถ้าสองดวงก็เก้าองศาร้อยแปิองศาโอ้ยเดือดตั้งนานเอ้ก็เลยว่าแห้งไปตั้งนานแล้วเหมืนกันเ มันตันหาชื่อว่าสริตาปกติเนี่ยคำว่าสริตาก็คือแปลว่ามันสันน้นนะนีสริตาแปลว่าสัาน้นโสมนัสทั้งหลายอันสั้นไปก็คือโสมนัสเกิดร่วมกับตันหาก็สั้นไปมีใยมียางตันหานี่ลักษณะของยางและใหญ่มีแกะสัตว์ทั้งหลายนี่นะมันอาศัยยางนี่แหละจึงอะไรนะเพราะพันขึ้นใช่ไหมถ้าไม่มีเยื่อใยไร้ยางก็เป็นยังไงเพราะก็ไม่ขึ้น ตันหาจึงชื่อว่าสริตาและว่าซ่านไปในอารมณ์ต่างๆดุดเครือเถานะถ้าในป่านี่เห็นชัดมันร้อยทั้งเกาะทั้งเกี่ยวอยู่นั่นแหละบทว่าชินนะวัตตังนะวัตติความว่าวัตตาอันขาดแล้วด้วยการตัดกิเลสวัฏอย่างนี้กรรมวัตที่ตัดขาดด้วยการให้ถึงความไม่เกิดขึ้นอีกเป็นธรรมดาและความไม่มีวิบากเป็นธรรมดาย่อมไม่เป็นไปคือย่อมไม่เกิดถ้าตัดกิเลสก็เป็นอันสิ้นกรรมถ้าสิ้นกรรมก็เป็นอัน สิ้นปฏิสนธิเนี่ยนะถ้าสิ้นกิเลสเป็นอันสิ้นกรรมถ้าสิ้นกรรมก็เป็นอันสิ้นปฏิสนธิถ้าปฏิสนธิไม่หยางลงถ้านามรูปไม่หยางลงอายตนะจะเกิดได้ไหมไม่ได้ถ้าอายตนะไม่เกิดภาษาจะมีไหมไม่มีถ้าไม่มีภาษาจะมีเวทนาจะเป็นที่ตั้งแห่งกันหาจะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ได้อย่างไรเนี่ยนะเอโซวันโตทุกขะ ความไม่เป็นไปแห่งกรรมวัฏและกิเลสวั์โดยประการทั้งปวงการไม่เกิดขึ้นแห่งวิบากวัต่อต่อไปโดยส่วนเดียวแท้ๆเป็นที่สุดเป็นขอบเขตเป็นภาวะที่หมุนเวียนของสังสารทุกข์แม้ทั้งสิน้นสรุปว่าถ้าตัดตัณหาได้อย่างเด็ดขาดเอโซวันโตทุกขะสะแปลว่าสิ้นวัตถุทุกโดยประการทั้งปวงจบสิ้นสัทีนะวัตทุว่า ง, งั้นะนะันก็ เรียกว่าถ้าสิ้นตัณหาเนี่ยเรียกว่าสุดเขตสุดแดนแห่งวัตทุกนะเลิกหมุนเลิกเวียนเลิกเลิกเวียนไปเผาสักทีหนึ่งเพราะอะไรเพราะเลิกเกิดแล้วนะยังห่วงนะบางคนบอกสั่งอีกนะต้องป่าชาที่ไหนได้